23. ขั้นตอนของการเจริญสติปัฏฐานวงเล็บเปิดหนึกุมภาพันสองพันหในวงเล็บสองวงเล็บปิดการเจริญสติปัฏฐานมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่1เป็นไปเพื่อให้เกิดสติขั้นตอนที่สองเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาเราทําขั้นตอนที่1เพื่อให้เกิดสติวิธีจะให้เกิดสติก็ให้ตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมเป็นการตามรู้ทั้งหมดเลย เมื่อกี้เผลอไปพยักหน้าก็รู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปพยักหน้าอย่างนี้แล้วสติจะเกิดเมื่อกี้เหลยวซ้ายแลขวาก็รู้ว่าเมื่อกี้เคลื่อนไหวต้องเมื่อกี้เมื่อกี้ตลอดท่านึงใช้คำว่ากายานุปัสสนาการตามเห็นกายหนึ่งเนืองเวทนานุปัสสนาการตามเห็นเวทนาหนึ่งเนืองจิตตานุปัสสนาการตามเห็นจิตหนึ่งเนืองตามเห็นหมายถึงสภาวะเกิดขึ้นก่อนร่างกายเคลื่อนไหวไปก่อน แล้วรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปเคลื่อนไหวจิตใจทํางานไปก่อนเช่นแอบไปคิดแล้วรู้ว่าเมื่อกี้หนีไปคิดหัดอย่างนี้แล้วสติจะเกิดพอมีสติแล้วนี่เวลารู้กายเราจะรู้ลงปัจจุบันไม่เหมือนกันแล้วนะไม่ใช่การตามรู้อีกต่อไปแล้วในขั้นฝึกให้เกิดสตินี่เราตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมแต่ในขั้นตอนดูให้เกิดปัญญาเราดูกายลงปัจจุบันแต่ดูจิตนะ ดูตามหลังตามเดิมไม่ต้องดูจิตให้เป็นปัจจุบันเพราะไม่มีใครทำได้จิตมันเกิดแล้วก็ดับวับไปเลยให้เราตามดูสติแปละว่าความระลึกได้สติคือธรรมชาติที่ระลึกรู้อารมณ์สติทำหน้าที่อะไรสติทำหน้าที่ระลึกระลึกแล้วเกิดอะไรขึ้นสติทำหน้าที่คุ้มครองจิตจิตจะได้รับการคุ้มครองจากสติอะไรทำให้สติเกิดขึ้น ทิระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นทำให้สติเกิดขึ้นวงเล็บเปิดสองสิกุมภาพัน5 2งนบในวงเล็บสองวงเล็บปิดพอเราตื่นขึ้นมาเราหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วเราสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้การรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาเห็นความจริงมากเข้ามากเข้ามันมีแต่ทุกข์ล้นล้น ก็หมดความยึดถือในกายในใจเราทุกข์เพราะเรารักในสิ่งต่างๆเรารักอะไรเราก็ทุกข์เพราะอันนั้นสิ่งที่เรารักมากที่สุดคือกายนี้ใจนี้ระหว่างกายกับใจเอาเข้าจริงๆนะรักใจมากกว่ากายอย่างบางคนไม่สบายเจ็บป่วยมากมทุรนทุรายอยากตายเร็วๆนี่ไม่รักกายแล้วอยากให้มันตายตายไปซะเพราะมันทรมานใจเหลือเกินเจ็บป่วยสุดท้ายก็คือรักใจของตัวเองมากเห็นอะไรเป็นตัวเรามากที่สุด ก็เห็นใจนี่แหละเป็นตัวเรามากที่สุดรักอะไรมากที่สุดยึดถืออะไรมากที่สุดก็รักจิตใจของเรานี้แหละรักสิ่งใดก็ทุกเพราะสิ่งนั้นนะถ้าเมื่อไรหมดความยึดถือในกายในใจหมดความรักในกายในใจปล่อยมันทิ้งไปกายกับใจเป็นสมบัติของโลกเราจะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปร่างกายมันทุกเราไม่ทุกนะจิตใจจะเป็นอย่างไรเราไม่ทุกข์ด้วยหรอกมันพ้นจากกันไปชีวิตมีแต่ความสุขล้วนๆเลย มีแต่ความสงบสุขล้วนๆเลยวงเล็บเปิดส14สิงหาคม2551ห้าเ็ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดการศึกษาธรรมะง่ายๆไม่มีอะไรพยายามรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนขั้นแรกสุดเลยรู้สึกตัวให้เป็นวิธีที่จิตจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้นี่จิตต้องจำสภาวะธรรมได้ต้องหัดรู้สภาวะธรรมเพราะฉะนั้นงานที่หนึ่งจริงๆคืองานรู้สภาวะ ทำไมคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อใช้เวลาไม่นานก็ตื่นขึ้นมาเป็นปกติที่เคยทํากันมาหลายๆปีไม่ตื่นหรอกมันติดเพ่งไม่มีคนตื่นทําไมมาฟังหลวงพ่อครั้งสองครั้งสามครั้งสักเดือนหนึ่งตื่นขึ้นมาได้เพราะหลวงพ่อพาให้ดูสภาวะหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยสภาวะของรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลาย ยังรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจออกรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจเข้ารู้สึกถึงร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบรู้สึกถึงร่างกายที่หยุดนิง่งรู้สึกถึงร่างกายที่เคเลื่อนไหวรู้สึกเล่นๆไปไม่ต้องทำอะไรหรอกอย่าคิดมากคอยรู้สึกไป หรือรู้สึกถึงนามธรรมเช่นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็สงสัยเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูใจใจมันวนเวียนไปในอารมณ์ชนิดต่างๆหัดรู้จักไปความรู้สึกชนิดไหนเกิดขึ้นในจิตใจนะคอยรู้ไปมันมีความรู้สึกขึ้นมาก็รู้มันมีความทุกข์ก็รู้มันเฉยเฉยก็รู้มันโลภมันโกรธมันหลงสงสัยหดหูฟุ้งซ เกิดขึ้นมาก็คอยรู้ไปหัดรู้เล่นๆไปไม่ต้องสนใจหรอกว่ารู้ไปถึงเมื่อไหร่ต้องใจถึงจริงๆหัดรู้สภาวะเล่นๆไปเรื่อยเมื่อเรารู้ไปถึงช่วงหนึ่งเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองสติจะเกิดขึ้นเองเพราะเหตุที่ทำให้สติเกิดก็คือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นฉะนั้นคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อหัดดูสภาวะนี่สักเดือนเดียวก็เริ่มเห็นสภาวะเป็นแล้วบางคนฟังครั้งเดียวก็เป็นแล้ว บางคนฟังแต่ซีดีไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยก็เป็นพอเห็นสภาวะเนืองๆต่อไปสติเกิดเองพอสติเกิดแล้วใจก็ตื่นขึ้นมาตั้งมั่นพอสติเกิดแล้วต้องฝึกอีกตัวหนึ่งให้เห็นเลยเวลาตื่นขึ้นมาแล้วใจบางทีก็ตั้งมั่นบางทีก็ไหลไปแช่อยู่กับอารมณ์หัดรู้ทันเข้าไปอีกพอรู้ไปเรื่อยๆต่อไปมีสติด้วยใจที่ตั้งมั่นคราวนี้เราจะเห็นทั้งกายทั้งใจแสดงไตรลักษณ์แล้วไม่ยากหรอก พอเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ยังเห็นร่างกายเราจะเห็นเลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็เมื่อยนอนยืนเดินอะไรเมื่อยทั้งหมดนั่นแหละเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวต้องการขับถ่ายร่างกายมีความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลาคอยรู้สึกไปอย่างนี้จะเห็นร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุการดูกายเป็นธาตุก็ต้องดูให้เป็นอย่าไปนั่งนึกเอาว่าตัวนี้เป็นก้อนดินเป็นธาตุดินใช้ไม่ได้หรอก อย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าเห็นาธาตุเป็นแค่การคิดถึงาธาตุเท่านั้นไม่ใช่เห็นาธาตุการรู้าธาตุการเห็นาธาตุนี่ต้องรู้ก่อนว่ า, าธาตุดินรู้ด้วยกายร่างกายนี่สัมผัสถึงจะรู้าธาตุดินาธาตุดินคือความอ่อนความแข็งอย่างหลายคนอาบน้ำไม่ได้เจตนาเลยเคยฟังหลวงพ่อพูดเรื่องมีสติรู้ตัวอะไรนี่พ่ออาบน้าถูสบู่ขัดขี้ใครถูๆไปสติปัญญามันพอนะมันเห็นวับขึ้นมาเลย นี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นแท่งๆเป็นท่อนๆอะไรก็ไม่รู้นี่เรียกว่าเห็นาธาตุนี่าธาตุดินเป็นความอ่อนความแข็งาธาตุไฟก็รู้ด้วยการสัมผัสทางกายอย่างในร่างกายเรารู้สึกไหมบางส่วนเย็นบางส่วนร้อนแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่คงที่หรอกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนี่คือตัวาธาตุไฟาธาตุลมรู้ยากแต่ก็รู้ด้วยกายเหมือนกันส่วนาธาตุน้ํารู้ด้วยใจาธาตุน้ําคือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลรู้ด้วยใจ ทำไมมันมีพลังดึงดูดไอ้ตัวนี้ให้รวมกลุ่มเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาอันนี้รู้ได้ใจแต่ไม่ใช่คิดนะเป็นการรู้ด้วใจแต่ไม่ใช่คิดเอาเห็นไหมร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุพอรู้สึกเป็นนะต่อไปจะรู้สึกเลยวัตถุมันเคลื่อนไหววัตถุมันยืนวัตถุมันเดินวัตถุมันนั่งวัตถุมันนอนมันไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนแล้ววัตถุนี้หายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้าหายใจออก นี่คอยดูอย่างนี้จะละความเห็นผิดว่ากลายเป็นตัวเราได้ดูจิต ด, ดูใจเราไปจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขสุขแล้วก็หายไปเฉยเฉยเฉยเแล้วก็หายไปเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาทุกข์แล้วก็หายไปฉะนั้นเวลาเราเจอความทุกข์อย่าไปตกใจความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเวลาเรากลุ้มใจมีปัญหาหนักๆในชีวิตเราใจเย็นๆเอาไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไป ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าช่วยมันแก้ปัญหาได้มันก็ผ่านไปเร็วหน่อยถ้าวันไหนไปเจอปัญหาซึ่งแก้ไม่ตกเช่นแฟนเราไปมีกิก๊กไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วมันจะมีห้ามมันไม่ฟังแล้วทำอย่างไรมันก็ไม่ฟังกลุ้มใจนะเราก็ดูใจของเราไปช่างมันยกถวายวัดไปตัดหางปล่อยวัดแต่วัดนี้ไม่รับนะคนชั่วๆนะ่ะความทุกข์ใดๆก็ตามล้วนแต่อยู่ชั่วคราว นี่เราคอยรู้ลงไปในกายในใจเราจะเห็นเลยในจิตใจมีแต่ของชั่วคราวสุข ก, ก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวากุศลอกุศลทั้งหลายเป็นของชั่วคราวนี่คือความไม่เที่ยงเราตามรู้ตามดูไปบางคนเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์เลือกไม่ได้จิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็เลือกไม่ได้ จ, จ, ออไไดจิตจะเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายหรือจิตจะเกิดที่ใจเลือกไม่ได้ มันเป็นไปเองทั้งหมดเลยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆจะเห็นมันเป็นเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกบังคับไม่ได้นี่เห็นอนัตตาเรารู้อยู่ในกายเห็นกายมันเป็นทุกข์มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาดูกายไม่เที่ยงดูยากนิดหนึ่งเพราะกายมันอายุยืนกว่าจิตไปดูว่ากายไม่เที่ยงนี่ดูยากดูได้แบบอนุโลมอนุโลมอนุมานเอาว่าเดี๋ยวก็เป็นรูปยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอน ส่วนการเห็นรูปที่เกิดดับจริงๆเป็นกรลาบกรลาบดูยากยากสุดๆเลยเพราะฉะนั้นจะดูความไม่เที่ยงนี่ดูยากต้องดูความทุกข์ของมันมันมีความบีบคั้นดูความเป็นอนัตตาคือมันเป็นก้อนธาตุส่วนจิตจะดูความไม่เที่ยงง่ายเพราะเกิดดับรวดเร็วส่วนความรู้สึกทางใจดูว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เห็นว่ามันเป็นอนัตตาง่ายคือมันทํางานได้เ э องเพราะฉะนั้นอนัตตาของกายดูว่ามันเป็นก้อนธาตุ หน้าตาของจิตดูว่ามันทำงานเองไม่ใช่ตัวเราดูไม่เหมือนกันหรอกจิตดูเป็นทุกข์ได้ไหยก็ได้เหมือนกันจิตก็ถูกบีบคั้นบางคนก็ดูจิตเป็นของถูกบีบคั้นถูกบีบคั้นด้วยอะไรด้วยตัณหาทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นมาจิตจะถูกเค้นพวกเราเรียนมาช่วงหนึ่งแล้วดูออกไหมเวลามีความอยากเกิดขึ้นนะมันเหมือนมีการเค้นใจตัวเองเค้นเค้นเค้นแล้วมันอยากทั้งวันมันก็เค้นทั้งวัน ก็ทุกทั้งวันอยู่อย่างนั้นแหละนี่เราตามดูนะเห็นในกายในใจอย่างนี้มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์มีแต่ความเป็นอนัตตา